วัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปในเรื่องของอวิชชาที่แปลว่าความไม่รู้อันเป็นสังโยชน์ข้อสุดท้ายและเป็นรากง่าของสัพบกิเลสทั้งหลายนั้นธรรมะปฏิบัติทั้งปวงเมื่อกล่าวโดยเนื้อหาจริงๆ ก็ ค, คือข้อปฏิบัติมุ่งจะขจัดกวิชาเป็นประการสาคัญพระบรรดาสับกิเลส ท, ทั้งหลายลุนเกิดขึ้นมาจากอาวิชาในเนื่องจากอาวิชาเป็นเรื่องใหญ่เป็นกิเลส ท, ที่อยู่ลึกยากต่อการที่จะขจัดให้หมดไปสิ้นไปธรรมจะจึงมีลักษณะเป็นเครื่องขัดเกลวไปเรื่อยๆคือมีความรู้เพิ่มขึ้นมีความไม่รู้ลดลง จนถึงจุดหนึ่งที่ทรงแสดงว่าวิชาเกิดขึ้นอวิชาดับไปแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดหายไปนั่นเป็นผลของการปฏิบัติขั้นสูงสุดคือตัววิชาที่มีการเพิ่มพูนขึ้นโดยลําดับนั้นเข้าถึงความสมบูรณ์ในขณะที่วิชาลดลงไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งก็ต้องหมดไป จิตใจก็ผู้ปฏิบัติจะเหมือนกับแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วความมืดหายไปทําให้เกิดการรู้เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงความจริงของสิ่งเหล่านั้นเป็นยังไงก็มีความรู้เห็นตามนั้นแต่ว่าคําว่าไม่รู้นั้นอย่างที่เคยบอกไว้ว่าอาจจะไม่รู้ในแนวมืดบอดไปเลยหรือว่ารู้ ไม่จริงหรือว่ารู้ไม่ตลอดสายของเรื่องลนั้นที่ยังจิตยังคล้องยังติดอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งหรือในระดับใดระดับหนึ่งท่านเน้นไปที่ความไม่รู้ในเรื่องทั้งแปดประการประการแรกก็คือเรื่องของความทุกข์ความทุกข์นั้นเป็นภาษาทางศาสนา ที่ท่านมีกรอบมีการนิยามความหมายเอาไว้ที่เราพูดกันโดยทั่วไปมักพูดในแนวความทุกขเวทนาที่พูดว่าความไม่สบายกายไม่สบายใจเราเรียกว่าความทุกข์ซึ่งเป็นคำกล่าวที่ถูกต้องโดยนยะหนึ่งแต่ไม่ใช่ถูกต้องอย่างสมบูรณ์เพราะเป็นการพูดเฉพาะทุกเวทนาคือเมื่อจิตใจเราได้เสวยผลที่เราไม่ชอบ ความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจก็เกิดขึ้นแต่ถ้าจิตใจไปสวยผลที่ชอบความสบายกายสบายใจก็เกิดและในขณะนั้นเราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขทั้งๆ ท, ที่ในแง่ของความจริงที่สมบูรณ์ก็คงเป็นความทุกข์อยู่นั่นเองอยิง่งแต่ความทุกข์มันลดลงไประดับที่ทนได้ระดับที่รู้สึกว่าสบายเราก็รู้สึกว่าเป็นสุข คล้ายๆกับเราอยู่ทับกลางแสงแดดที่ร้อนจัดมากๆมีความทุกข์ตรรพันมากๆพอแสงแดดเริ่มอ่อนลงเรารู้สึกว่าได้สุขบางท้างที่จริงแล้วก็มีคนที่เย็นกว่าเราสบายกว่าเราอยู่เป็นอันมากความสุขที่รับในขณะนั้นก็เป็นเรื่องของความร้อนที่ลดลงแค่นั้นเองการมองชีวิตซึ่งเป็นกลุ่มของทุกข์หรือเป็นกองของทุกข์ ที่ท่านเรียกอีกอย่หนึ่งว่าทุกข์ขัดขันคือกองของความทุกข์เป็นที่ตั้งของความทุกข์โดยสภาพของมันระดับตึกและเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากจิตประยึดมั่นถือมั่นเราอีกระดับหนึ่งก็กลายเป็นทุกข์ที่มีความสลับซับซ้อนอยู่ในตัวของมันอย่างที่มีการสวดสาธยายกันเป็นปกติ เราจะพบว่าก็สรงแบ่งความทุกข์ในตรงนั้นไว้เป็นสองช่วงช่งหนึ่งที่เราเรียกว่าสภาวะวัตถุคือทุกโดยสภาพของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเกิดมาแล้วก็เป็นอย่างนั้นเองตัวสภาวะวัตถุที่ทั่วไปแก่สิ่งทั้งหลายก็มีอยู่เพียงสามอย่างคือความเกิดความแก่และความตาย ีเรว่าความเกิดปรากฏความแก่ปรากฏความตายปรากฏเป็นอาการทั่วไปแก่คนแก่สัตว์แก่สิ่งของทั้งหลายเพียงแต่ ว, ว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสภาวะทุกข์ที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยที่เป็นปรากฏการณ์ก็ธรรมชาติ แต่ว่าสิ่งมีชีวิตเป็นสภาวทุกข์ที่สืบเนื่องมาจากกิเลสคือตัณหาคือถ้าไม่มีตัณหาการเกิดก็มีไม่ได้เมื่อไม่มีการเกิดการแก่การตายก็ไม่มีโดยธรรมชาติของมันเพราะการที่ใจคนซึ่งยังมีวิชาอยู่ไปเข้าใจชีวิตซึ่งเป็นกองของความทุกข์ว่าเป็นความสุข ในแง่ของความจริงดีแท้จริงท่านถือว่าเป็นความเห็นที่วิปลาสคือคลาดเคลื่อนจากความจริงและวิปลาสล่านี้เองที่ทําให้เราไม่รู้เห็นดั่ความเป็นจริงไปยึดมั่นไปปรารถนาไปไขว่คว้าสิ่งที่มีความทุกข์และเป็นการเพิ่มทุกข์ ยานที่ทรงแสดงไว้โดยสภาพว่าขันทั้งห้านั้นเป็นภาระที่หนักแต่บุคคลก็ยังแบกยังหาบยังหามภาระทั้งห้านั้นเอาไว้การแบกหามขันทั้งห้าก็เป็นความทุกข์แต่ถ้าถ้าสามารถปล่อยวางได้ก็จะเป็นความสุข แต่การปล่อยวางนั้นมีข้อแม้ว่าจะต้องไม่ไปแบกภาระอืีอกพระจะแบกอีกก็ต้องหนักอกีกลักษณะของชีวิตเราจึงแบ่งออกเป็นสองช่วงใหญ่ๆเราจะเห็นว่าช่วงหนึ่งก็เกิดไม่พอใจในความทุกข์ที่ตนกำลังประสบอยู่ต้องการจะปลดต้องการจะเปลี่ยนความทุกข์ ที่กำลังสวยที่กำบังประสบแต่เปลี่ยนไปแล้วก็ปรากฏว่าไปแบกทุกอย่างอื่นเพิ่มขึ้นซึ่งถ้าหากว่าย่อยให้เต็มที่แล้วก็อาจจะได้ถึงสามกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกทั้งๆที่ตนไม่ต้องการความสุขปรารถนาความสุขแต่ในวิถีชีวิตจริงกลับสร้างเหตุได้เกิดความทุกข์ ในขณะที่ใจไขว่คว้าความสุขซึ่งก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะเหตุเป็นอย่างหนึ่งแต่เราต้องการผลอีกอย่างหนึ่งตั้งความทุกข์ที่เกิดขึ้นในรูปของสังสารวัฏที่เป็นรูปของอันบายคือนรกสัตติเดชานการเกิดเป็นเปรตและการเกิดเป็นอสุรกายแต่เราถึงความทุกข์ในชีวิต ที่บุคคลกำลังประสบอยู่ด้วยผลของการกระทําความชั่วแม้ใจจะบอกว่าต้องการความสุขแต่เขากลับเพิดสร้างเหตุของความทุกข์ความสุขที่เป็นผลมันก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่จะเกิดได้ก็จะพราะความทุกข์เท่านั้นคนนี้แสดงเห็นดึงอวิชชาที่มีอยู่มากภายในใจของคนเป็นความรู้ที่ไม่จริง หรือรู้เพงจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็เข้าใจว่าจุดนั้นเป็นจุดที่สมบูรณ์แล้วทั้งทางที่เป็นเพียงระดับใดระดับหนึ่งเท่านั้นเองประการที่สองแม้เราจะต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์และพยายามขจัดเหตุของความทุกข์แต่ก็เป็นการเพิ่มภาระอย่างหนึ่งขึ้นเช่นในรูปยาวๆคือกลายเป็นสังสารวัฏ เราเบือหนายความเป็นมนุษย์ไม่ต้องการความทุกข์ระดับมนุษย์แต่ไปค ว, ว้าความเป็นสวรรค์ซึ่งที่จริงก็เป็นความทุกข์อีกระดับหนึ่งไม่พอใจสวรรค์ก็ไปคว้าการเป็นพรหมก็เป็นความทุกข์อีกระดับหนึ่งถึงแม้ทุกขเวทนาจะปรากฏอยู่น้อยแต่ว่าความทุกขโดยสภาพของมันก็คงมีอยู่ ในช่วงระยะเวลาจะยืดยาออกไปบ้างก็ตามแต่ตราบใดที่ยังมีการหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏตราบดันก็ชื่อว่ายังอยู่ในห่วงของความถูกเพราะยังต้องหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏตีประการหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของความรู้ที่ตลอด หมายความมารู้อะไรเป็นเหตุของความทุกข์แล้วก็พยายามขาจัดอย่างสิ้นเชิงโดยไม่แบกอีกหมายความเมื่อวางขันอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่ไปคว้าขันอย่างอื่นขึ้นมาแบกนั่นคือการปฏิบัติในแนวที่เดินไปตามองค์กริมักรทั้งแปดประการจะมีความสมบูรณ์นั้นความทุกข์โดยสภาพคือเกิดแก่ตายนั้นเพิ่งเห็นว่า บางอย่างไม่ใช่เรื่องของความไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นการที่มีการเกิดขึ้นรวมทุกวันเกิดของคนทั้งหลายมีคนเกิดแล้วก็มีวันเกิดตัวแล้วแต่เป็นที่ชื่นชมยินดีของบุคคลทั้งนั้นเมื่อมีการเกิดมีลูกมีหลานเกิดขึ้นในครอบครัวต่างคนดังไปแสดงความชื่นชมยินดี เราจห็นว่าในแง่ของเวทนาตรงนี้โดยพื้นฐานทั่วๆไปก็เป็นรู้สึกว่าเป็นความสุขแต่ความทุกข์ที่ท่านมุ่งหมายนั้นหมายความว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมาจากเกตดปัจจัยสิ่งนั้นก็ชื่อว่าเป็นความทุกข์บ้นชีวิตของคนหรือของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดแก่ตายกันอยู่ รวนแล้วแต่ประกอบด้วยเหตุปัจจัยดำรงอยู่ด้วยเหตุปัจจัยแล้วก็ตายไปเพราะการแยกของเหตุปัจจัยการเกิดเป็นชีวิตก็มาจากเหตุปัจจัยทั้งสองด้านคือด้านที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ด้านที่เป็นนมามธรรมด้นที่เป็นรูปธรรมเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติของสัตว์ตัวโลกแต่ว่าการเกิดที่จริงแล้วเนี่ย ทรงจำแนกกำเนิดไว้ตั้งสี่ประการไม่จะเกิดในคันอย่างเดียวแต่มีการเกิดในไข่เกิดในสิ่งสกรปรกแล้วเกิดโดยผุดขึ้นแต่ทั้งหมดนั้นก็มีเหตุปัจจัยทั้งที่เป็นรูปธรรมแล้วก็นามธรรมส่วนที่เป็นนามธรรมนั้นคือกิเลสกรรมและวิดญญาทั้งสาประการ น, นี้จะต้องอิงอาศัยซึ่งกั น, นกและกันแล้วก็ขาดไม่ได้ แต่ไปยังใดย่างหนึ่งก็เกิดเป็นชีวิตขึ้นมาไม่ได้แต่คําว่ากิเลสนี้พึงสังเกตว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นความหยาบรุนแรงเสมอไปเพราะอะไรเพราะคนพระรยาบุคคลระดับพระนาคามีก็ยังเกิดแต่เกิดเป็นกําเนิดเดียวคือโอปปาติกะกําเนิด คนระดับพระนาคามีตายไปแล้วไม่เกิดในครันไม่เกิดในไข่ไม่เกิดในสิ่งสกปรกแต่จะเกิดโดยกําเนิดเดียวคือโอป ป, ปาติกะคือสรุปแล้วที่แน่นอนที่สุดเนี่คนที่ปฏิบัติกุศ ล, ลกรรมได้ตั้งแต่รูปฌานขึ้นไปนั้นจะไม่เกิดในกําเนิดทั้งสามจะเกิดโดยโอป ป, ปาติกะ แต่ในขณะเดียวกันที่จึงคนที่ทําบาปรแรงๆก็เกิดโดยโอุ ป, ปาทานิกะเหมือนกันหรือหมายความว่าก็ตกนรกเป็นสัตว์นรกที่ต้องไม่ผ่านการเกิดได้คันเกิดได้ไข่เกิดในของสกปรกตรงนี้แสดงว่าเป็นเหตุปัจจัยประกอบกันทั้งภายในและภายนอกทําให้เรามองเห็นว่าในความจริงแท้จริงนั้นแม้แต่ อาคารสถานที่ภูเขาตดนไม้ตลอดถึงแผน่นดินโลกทั้งปวงก็เป็นทุกข์เพราะอะไรว่าสิ่งทั้งปวงนั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยดังนั้นเวลาพูดถึงความจริงที่แท้จริงพระพุทธเจ้าไม่ได้เจาะที่ใดที่หนึ่งแต่ชงทรงใชกคนว่าสเพสังคาราทุกขาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์หมายความว่าตับใดที่ยังประกอบด้วยเหตุปัจจัยกันอยู่ สานั้นจะแยกออกจากความทุกข์ไม่ได้แต่ในขณะใดที่หมดเหตุปัจจัยในขณะนั้นก็หมดทุกข์เพราะความทุกข์จึงเป็นอาการที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยของสิ่งต่อันแต่ในขณะที่ดำรงอยู่ ดังนเมื่อเราเกิดมาแล้วท่านบอกว่าชาติปีตุขาการเกิดเป็นทุกข์ชราปีตุคาการแก่ก็เป็นทุกข์มานำปีตุขังความตายก็เป็นทุกข์ให้เราสังเกตว่าพระเจ้าไม่ได้ใช้ับว่าคนตายสัตว์ตายหรือคนแก่สัตว์แก่หรือคนเจ็บสัตว์เจ็บหรือคนเกิดสัตว์เกิดแต่ทรงใช้กับว่าความแก่ความเกิดความแก่ความตายหมายความมาเป็นตัวสภาวะคล้ายๆกับความเจ็ดความร้อน มันจะมีลักษณะสากลคือกระทบใครคนนั้นก็เย็นก็ร้อนก็เย็นร้อนในตัวของเขาแล้วจะทําให้สิ่งที่มากระทบกับเขาเย็นร้อนตามเขาไปด้วยความเกิดความแก่ความตายก็มีลักษณะอย่างกันคือเขาเป็นทุกข์โดยสภาพเขาเองนั้นเกิดมาจากเหตุปจัจจัย และคงสภาวะความเกิดความแก่ความตายอยู่ไม่ได้แต่ต้องมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่คงที่คือคงสภาพเดิมอยู่ไปได้เป็นระบบที่มีความเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องไม่ขาดสายคือไม่ได้อยู่นิ่งนี้ก็เป็นอาการที่เราเห็นได้ว่าปรากฏแก่สิ่งทั้งหลายในโลกแต่ในขณะเดียวกันเราก็ประสบกับเวทนา คือการเสวยความสุขความทุกข์หรือความสุขความทุกข์แรงๆหรือความทุกข์ที่ลดลงไปเร่งเรียกวความสุขนั่นก็คือต้องแผลด้วยเหตุปัจจัยทั้งภายในและภายนอกเหตุปัจจัยภายในที่อาการหนักมากๆจริงๆนอกจากเป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เสียดแทงร่างกายแล้ว ตัวจริงๆมักลับอยู่ที่พวกทุกข์ซึ่งจรเข้ามาความทุกข์เหล่านี้ที่จริงเกิดขึ้นจากใจเราไปยึดเอาให้เราสังเกตว่ามันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความรักความชังที่เวลา ส, สวดกันว่าความโศกความร่าไรราพันความทุกข์ความเสียใจความขับแค้นใจ การต้องพัดพลาดจากคนสัตว์สิ่งของกันเป็นที่รักการต้องอยู่ร่วมคนสัตว์สิ่งของที่เราไม่ชอบการต้องการไรแล้วไม่ได้ตามต้องการหรือไม่ไม่ต้องการอะไรแล้วเกิดได้ในสิ่งนั้นจนมีอาการเก็บกดกลายเป็นอุปายาตที่แปลวความขับแค็นใจเระทรงสรุปเห็นว่าที่จริงแล้วทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากใจที่ไปยึดต่อความโศกส่วนใหญ่นั้นมาจากการพลาดพลาด ซึ่งแสดงว่ามาจากความรักความโลภเช่นของหายคนที่รักเราตายไปหรือคนที่รักเปลี่ยนแปลงไปแล้จะเกิดความสศกความร่ไรวยรำพันความทุกข์ความเสียใจยเกิดขึ้นโด้ะะเห็นว่าสภาวะเหล่านั้นเราก็จริงแล้วหมายความว่าใจเราต้องไปเกาะอยู่ที่คนหรืที่สัตว์เหล่านั้นถ้าใจไม่เกาะด้วยความรู้สึกว่า เป็นคนที่เรารักหรือเป็นของที่เรารักคนนั้นตายไปหรือว่าของนั้นแตกทำลายไปเราก็ไม่รู้สึกเป็นทุกข์อะไรเพราะจริงๆแล้วคนตายอยูท่ทุกนาชีในโลกนี้สิ่งทังางยนั้นแตกกับอยู่ทุกนาชีทุกวินาชีโดยสั้าไปถ้าหากว่าเป็นที่ตั้งของความทุกข์สากลแล้วหมายความว่าคนจะไม่มีเวลาสางทุกข์ได้เลย ตรงนี้จึงอยู่กับใจที่ไปยึดเอาเท่านั้นเองถ้าใจไม่ยึดมันก็ไม่มีความรู้สึกอะไรตรงนี้จึงเป็นอาการของกิเลสที่มีอยู่ภายในใจโดยเฉพาะความรักความชังและบางทีความโศงนั้นเกิดขึ้นจากความชังเช่นคนที่เรามองเขาว่าเป็นศัตรูไม่ต้องการเห็นเขามีความเจริญ ความก้าวหน้าความสําเร็จพอดีเขาได้ประสบความเจริญความก้าวหน้าความสําเร็จสมบูรณ์ในราบยศสันเสริญสุขแล้วเกิดความสุขความร่ำรวยรำพันความทุกข์ความใช้ใจความกับแค้นใจเช่นเดียวกันตัวนี้เองก็ไม่ใช่เรืงสากลอีกเพกคนในโลกที่ประสบความเจริญในราบในยศด้วยสรนเสริญ ด้วยความสุขนั้นมีเป็นนั้นมากถ้าว่าเป็นที่ตั้งของความทุกข์และความสุขจริงๆเราก็ทุกข์อยู่ตลอดหรือเราสุ ข, ขอยู่ตลอดแต่ปรากฏว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นเป็นเฉพาะคนที่ใจเราไปยึดถือไว้แต่นั้นเองเพราะในจุดนี้จึงกลายเป็นทุกข์ที่จอนมันเกิดจากใจที่ไปยึด ถามมายึดด้วยอะไรจะทรงใช้คำอยู่สองแหงใช้คำว่าอุปท า, านฉนสังคิเตนะปัญจุปท า, านการถาทุขขาเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วจิตยึดมั่นหรือมันในขันธ์นนั้นเป็นทุกข์อุปทานานั้นยึดถือด้วยอะไรกามุปาทานยึดถือด้วยอานาจความใคร่ ทิฏปาทานยึดมั่นด้วยอำนาจของความคิดเห็นเช่นว่าเรามีความคิดเห็นอย่างนี้ถ้าใครไม่คิดเห็นตรงกับเราเราก็ไม่พอใจบางทีสา ม, มีภัญญาการก็อาจจะตลอดกันพ่อแม่ลูกก็อาจจะตลอดกันเพราะอะไรเพราะความเห็นไม่ตรงกันแตไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่สามารถที่จะปรับข้าหากันได้ บางทีก็เป็นการยึดมั่นด้วยศีลด้วยวัดด้วยข้อปฏิบัติต่างหลายเราถือว่าอย่างนี้ถูกต้องใครเห็นด้วยเราก็ชอบพอใครคัดค้านใครโต้ยแยง้งแล้วก็เกิดความไม่ชอบความทุกข์นก็เกิดขึ้นหรือว่าเป็นรูปของอัตวาทุปาทานหรือว่าพระว่าตนเป็นอย่างนั้นตนเป็นอย่างนี้ตนเชื่ออย่างนั้นตนทำอย่างนี้ ให้ความสำคัญแก่ตัวเองแก่การกระทำของตัวเองแก่คาพูดของตัวเองความคิดเห็นของตัวเองซึ่งหมายความว่าถ้าใครคล้อยตามเราก็รับความสุขแต่ถ้าถามลึกๆว่าถ้าคล้อยตามในตลอดนี่เราจะเป็นยังไงเราก็จะเห็นภาพถึงว่าเราเป็นใครถ้าเราเป็นคนไม่ดีเป็นคนพานแล้วก็มีคนคล้อยตามเรา ก็จะเห็นเป็นกระบวนของคนที่เดินกันไปตกเหวตกบ่อเป็นจนํานวนมากเราก็เห็นภาพในสมัยพุทธกาลเพราะแม้พระพุทธเจ้าจะทรงประชวอยู่และเผยแผ่ศาสนาอยู่แต่ก็มีคนเป็นอันมากที่ไปเข้าพวกกับพระเทวทัตเป็นลูกศิษย์กับพระเทวทัตตั้งป้อมต่อสู้เบียดเบียนใส่ร้ายพระพุทธเจ้าต่างๆนั่นนะ ทซนตี้พระเทวทัตจะเดือดร้อนคนเดียวก็ดึงคนจํานวนมหาศาลเข้าไปประสบความเดือดร้อนแล้วก็ตกนรกตามไปด้วยมันก็แนวใดคือคือแนวการเข้าผ่านสมาค์ทโคคนผ่านเพราะเราเห็นว่าเอาตรงนี้ถ้าเรามีปัญหาแล้วสร้างปัญหาแก่คนจํานวนมากแต่ในตำนานตัวเงาข้ามถ้าหากว่าเราไม่มีปัญหา แต่เราก็มีความคิดเห็นในทางถูกต้องควรเห็นตามคล้อยตามก็นำกันไปได้แต่ปัญหาว่าเรารู้ตลอดสายหรือเปล่าแต่รู้ไม่ตลอดสายนำไปแล้วมันก็ติดซึ่งก็มีฤาษีมีนักปราชญ์มีคณาจารย์เจ้ารัฐที่ต่างๆเป็นอันมากในสมัยพุทธกาลก่อนที่พระเจ้าจะเกิดขึ้นในโลก ถ้าเราจะตั้งปัญหาถามาท่านเหล่านั้นรู้หรือเปล่าเราก็ตอบว่ารู้แต่รู้ไม่ตลอดเอย่ายกตัวอย่างท่านอาราดาวดุกาลามโคดุกทกดาวดุรามบุตรก็รู้อามากมากแต่หมายความมาท่าเจ้าชายติตะถะตามเฉพาะท่านซึ่งเป็นนักปราชญาใหญ่คนหนึ่งในสมัยนั้นตามเต็มที่แต่ก็ติดอยู่แค่สาริแต่นั้นเอง โลกก็จะขาดแคลนพระพุทธเจ้ากือจะไม่มีพระเจ้าเกิดขึ้นในโลกจะไม่มีพระหันในโลกจะไม่มีพระสัตธรรมปรากฏในโลกจะขาดแคลนจํานวนมหาศาลที่ติดตามมาจากการไม่มีพระพุทธเจ้าพระสาบใดที่ยังมีวิชาแม้ว่าความเห็นของเราจะถูกต้องมันก็เป็นถูกต้องที่ไม่ตลอดสายจะถูกต้องอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นเอง เราจะตามไปเต็มที่ตามภูมิธรรมความรู้ของท่านเหล่านั้นแต่ในสุดก็ติดเพราะสิ่งที่เป็นความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามจะนำความทุกข์มาให้แต่เป็นความทุกข์ในระดับที่ลดหลั่นกันขึ้นไปให้เราลองสังเกตว่า และที่คำสอนของนักบวชในสมัยนั้นไม่ใช่ว่าเลวไปทั้งหมดที่จริงท่านก็ดีในระดับนั้นๆแต่ว่าถ้าไม่สามารถจะปล่อยวางไม่สามารถจะรับความจริงในบางจุดได้ความทุกข์ความเดือดร้อนก็จะเกิดขึ้นใก้ๆก็ท่านสัญชัยปริภาชกท่านก็เป็นคณาจารย์เจ้าลัทธิ แต่ว่าถึงจุดหนึ่งปรากฏท่านปรงใจให้มายอมเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าไม่ได้ทั้ง ท, งที่คนอื่นเข้ามากันเป็นจำนวนมากแล้วพอคนอื่นมาเข้าจริงๆโดยเฉพาะพวกราสาดิบุตรพระพุทธาณนมักเฝ้าพระพุทธเจ้ากันกับบริวาร250คนสัญชัยจะถึงกระอักเป็นโลหิตสดๆออกมาและทาให้ค น, นจำนวนหนึ่งต้องกลับไปถรสงสารนั่นสัญชัย นั้นเราจะเห็นว่าจริงๆท่านก็รู้แต่ก็รู้ไม่จริงรู้จริงในบางจุดแต่สิ่งที่ท่านยังไม่รู้นั้นมีอีกมากก็แสดงว่ายังมีวิชาอยู่ด้วยกันทั้งนั้นนั้นธรรมะปฏิบัติในการขาจัดวิชาในส่วนของทุกขสัจก็คือการพยายามใช้ปัญญาภินิพนิจารณา ทำแล้วซ้ำอีกจนเกิดเหตุประจักแจ้งตามความเป็นจริงสิ่งอะไรมันเป็นก็มันยังไงก็เห็นความจริงอย่างนั้นเช่นวัชชาความเกิดก็เป็นทุกจริงชราวความแก่ก็เป็นทุกจริง อ, อนาความตายก็เป็นทุกจริงเป็นทุกประวัติสิ่งทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งทั้งเป็นรูปธรรมและเป็นนามธรรม ในขณะที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ไม่มีอะไรคงอยู่ในสภาพเดิมแม้เพียงขนาดเดียวเป็นการเกิดดับเกิดดับที่ทยอยกันไปไม่ขาดสายแล้วเราก็ต้องประสบกับทุกเวทนาต่างๆเป็นแนดนมากตอนเราต้องการเวลาที่แผดเผาชีวิตเราให้หดสั้นเข้าไปเร ดิฉัอุปมาให้เห็นว่าชีวิตเรานั้นเหมือนกับช่างเขาคว้านเกลียวชื่อกเป็นเกลียวชื่อกริดหนังอีกด้านหนึ่งนั้นอยู่ใต้เตียงที่ตัวเองนั่งแล้วมีสุนัขนอนอยู่ใต้เตียงเชื่อที่ย้อน ล, ลงไปนั้นเราก็คว้านไปเรื่อยแต่สุนัขมันก็กินเข้ามาเรื่อย ชีวิตของคนเราจะมีลักษณะอย่างนั้นคือหดสั้นเข้าทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันแล้วทุกขณะที่ผ่านไปวันข้างหน้าจะน้อยลงโดยลำดับเรารู้สึกว่าอายุเราเพิ่มขึ้นแต่ที่จริงแล้วอายุเราน้อยลงคือจะดำรงชีวิตยอยู่ในโลกได้น้อยลงคราวนี้เราจะเห็นตัววิาวชาตได้ชัดเจนว่าคนมีการเฉลิมลฉลองเมื่อถึงวันเกิด คล้ายๆกับรู้สึกของตัวเองได้แต่จริงๆแล้วเรากำลังเสียเราไม่ได้อะไรเล ย, เลยทุกอย่างนั้นกำลังเปลี่ยนแปลงกำลังไหลและกำลังกล้ายความตายกลับไปทุกขณะแต่คนเพราะยังมีวิชาจึงมีการสนุกสนาเนเพลิดเพลินดื้อเริงกันตั้งในขณะที่มีคนอื่นเกิดแล้วในขณะที่ถึงวันเกิดของตัวเอง เพราะความไม่รู้เห็นตรงนี้เองตามความเป็นจริงตรงนี้เองท่านจึงถือว่ายังมีวิชาอยู่เพราะการคัดจารวิชาตรงนี้ก็คือต้องอาศัยการใช้ปัญญาซึ่งมีลักษณะเป็นแสงสว่างในกล่าวปินิพพิจนาไปตั้งแต่แนวของปินหาปฏจเวกขณะไปโดยย่แนวทั้งหมดที่ทรงแสดงเอาไว้จะให้ดูวันคืนที่ผ่านไปผ่านไป ทำใจตัวเองว่าขณะนี้เรากำลังทําอะไรอยู่ตรวจสอบดูคุณธรรมคุณพิเศษต่างๆภายในใจของเราว่าในขณะที่เวลามันผ่านไปผ่านไปทีวิตเราก็ใกล้ความตายเข้าไปทุกขณะนั้นคุณพิเศษอะไรที่เพิ่มพูนขึ้นภายในจิตนี้มีอยู่หรือไม่ถ้าเห็นว่ายังไม่มีก็เมื่อไร่จะให้มีเพราะว่าเราก็ใกล้ความตายเข้า าการใช้ปัญญาเพ่งมองถึงความจริงของชีวิตในแง่ของสภาวธรรมก็ดีในแง่ที่มีการจรมาก็ดีก็จะสามารถลดละบันเทาความยึดมั่นหรือมั่นในสิ่งต่างๆต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสบต่อไป